ถูกอย่างหนึ่งของคนส่วนใหญ่ก็คือการที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปดั่งใจแต่บ่อยครั้งเราจะพบว่าเราต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายนะที่มันไม่เป็นไปดั่งใจเรียกว่ า, าเกิดขึ้นได้ท่าทุกวันแล้วก็อาจจะทุกที่เลยก็ได้แม้จะไป พักในโรงแรมหรูๆอยู่คอร์หาไปอยู่รีสอร์ทที่มีทิวทัศน์สวยงามเราก็ยังเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจอาจจะเป็นเรื่องอาหารสถานที่ดินฟ้าอากาศข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งผู้คนด้วยเรื่องเราเนี่ยแต่ละวันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะ และชี่ิมันจะง่ายขึ้นมากเลยถ้าอาหารสถานที่ดิถาอากาศผู้คนเครื่องใช้เช่นรถยนต์โทรศัพท์หรือว่ากล้องแม้แต่นาฬิกาปากกาเนี่ยมันเป็นไปดังใจคนเจอหรือพบว่ามันไม่เป็นไปดังใจนี่ก็จะมีความหงุดหงิด โอ้โหไม่พอใจเพร่ง่าคือเกิดความทุกข์พอทุกข์แล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปโทษนะสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคนปรุงอาหารแม่ครัวว่าทำอาหารไม่อร่อยโทษดินฟ้าอากาศโทษผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ หรือบางทีก็โทษโทชคชะตาแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะลืมกลับมามองกลับมาที่ตัวเองว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเพราะใจเราหรือเปล่าคนที่เขาเรียกแมวนะเวลาเรียกแมว มันไม่ยอมมาเขาก็ารู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าเรียกลูกแลไรลูกไม่มาก็ไม่พอใจเวลาแมวเกิดควรหรือกัดขึ้นมาเจ้าของอาจจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ว่าพอคนรักหรือว่า เพื่อนพูดจาไม่ถูกใจนะีโกรธเลยนะมทมไมมันเป็นอย่างนั้นนะแมวเรียกเรียกแมวไม่มาแมวกัดแมวขวนไม่โกรธแต่เรียกลูกหรือเรียกเพื่อนเพื่อนไม่ขานลูกไม่มาโมโหหรือว่า เขาพูดแรงๆหรือบางทีอาจจะพูดกระด้างกระด้างกับไม่พอใจตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะที่เป็นเะนั้นก็เพราะว่าปกติเวลาเราคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยขาก็ไม่ได้คาดหวังอไรจะอยากแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกมันมันไม่มาหาเขาก็เลยไม่โกรธไม่โมโ oh. ห แต่ว่ากับลูกกับคนรู้จักกับเพื่อนเนี่ยเรามีความคาดหวังเช่นคาดหวังให้เขาตอบสนองคาดหวังให้เขาพูดจาไพเราะหรือว่าเอาเอกเอาใจเราพอเขาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะพฤติกรรมหรือการกระทำของเขาหรือของ สิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่มันเป็นเพราะใจเราเรามีความคาดหวังเรามีความคาดหวังกับอาหารว่าเนี่ยมันต้องอร่อยเพราะว่าราคาแพงเป็นอาหารในพัตนาการทั้งพอมันไม่รสชาติไม่ตรงกับความคาดหวังก็เลยเกิดความไม่พอใจฉันจะว่าไปแล้วเนี่ยในความทุกเนี่ย ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะความคาดหวังของเราตังหารวมนั่งคาดหวังให้มันเป็นไปดั่งใจเราด้วยนั่นถ้าไม่อยากทุกข์นะเราก็เพียงแต่ลดความคาดหวังลงหรือว่าไม่ยึดติดกับความคาดหวังวางใจยังไงกับแมวนะก็วางใจอย่างนั้นน่ยกับผู้คนมันก็จะทุกน้อยลงนะหรือไม่เช่นนั้นก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้ดินฟ้าอากาศมันผันผวนไปปวนก็ก็ยอมรับมันเป็นอย่างนั้นแหละเจอรถติดอ่ะก็ยอมรับว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแมมันจะไม่เป็นไปดั่งใจนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันพอเรายอมรับน ะ, ะมันก็ใจมันก็หายทุกข์นะมันจะไม่มีเสียงบน่น บวยวายตีโพยตีพายหรือไม่ฉะนั้นก็มองว่าเนี่ยที่มันไม่เป็นไปดังใจไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคำพูดของเขาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่มไม่เป็นไปดังใจมันไม่ถูกใจเลยรวมทั้งอาหารที่ไม่ถูกใจมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้กับเรา ฝึกให้มีขันติด ร, รมให้มีความอดทนหรือว่าฝึกให้รู้จักปล่อยวางเอาไปเป็นโจทย์ในการฝึกจิตใจของเราได้รวมทั้งการกระทำและคำพูดของผู้คนด้วยนั้นถ้าเกิดว่าไม่ปรับใจแบบนี้นยพออะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม่ถูกใจ และจากไม่ถูกใจก็กลายเป็นขัดใจพอขัดใจแล้วเหนี่อทุกข์เลยนะทุกข์กว่าเดิมแต่ที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกขัดใจนะมองให้ดีนะมันสามารถจะขัดใจเราให้ให้เกลี่ยงเกลาได้ขัดอัตตาตัวตนของเราเนี่ยให้มันบางลง ไอ้สิงที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยหรือสิ่งที่มันขัดใจเราเนี่มันมันสามารถจะมาใช้เป็นเครื่องขัดกิเลสจากใจเราได้นะเพราะบางทีเนี่ยที่มันไม่ถูกใจเราหรือว่าขัดใจเราเพราะว่ามันไปกระทบกับอัตตามันเป็นมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของอัตตาหรือกิเลสชอบปนเปือมันตลอดเวลามันก็กำเริบหรือว่ามันก็เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็กลายมามีอำนาจเหนือเรามากขึ้นทุกทีแต่ว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจมันไม่ปนเปลอมันหรือทรมารมันบ้างนะมันก็จะสงบเสงี่ยนมากขึ้นนะอัตตาหรือว่ากิเลสเนี่ยหรือมานะเนี่ยนะถ้าไปปนเปลอมันหรือไปสนองความต้องการของมันนี่ มันจะเหิมเกริมมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันถูกขัดหรือว่าถูกกระทบบ้างมันก็าจะสงบสงเงียมและไม่มีอะไรที่จะช่วยให้มันสงบสงเงียมได้ดีกับการที่เจอสิ่งที่ทวนกระแส หรือขัดกับความต้องการของมันแลนะสิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นการขัดใจกิเลสมากกว่าแล้วถ้าเรามาใช้ในการขัดกิเลสนะหรือว่าขัดอัตตานี่มันก็จะมันก็จะดีกับเราเองนะอันนี้เรียกว่ารู้จักใช้นะสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจเนี่ยทำให้จิตเรามีคุณภาพดีขึ้น คื อ, อามาใช้เป็นประโยชน์ในการฝึกจิตฝึกใจให้กิลเลสเบาบางให้อัตตามานี่มันเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นไม่กำเริบเสบสารเมื่อกลายเป็นประโยชน์นะสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจสิ่งที่ไม่ถูกใจเราหรือสิ่งที่ขัดใจเราถ้าเอามาใช้ดีก็มีคุณค่านำพาเราไปสู่ วิเทียงความสุขได้ง่ายขึ้นและทีจริงถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยนะไอ้ที่มันไม่เป็นไปดั่งใจหรือว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราหรือการการะทําคําพูดของคนที่มันขัดใจเราเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันกำลังบอกอะไรเราบางอย่างที่มีความสําคัญมากนะมันกําลังบอกเราว่าเนี่ย ไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้เลยมันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้ไม่จะเป็นข้าของเครื่องใช้โทรศัพท์รถยนต์หรือแม้ทงังสัตว์เลี้ยงจะว่าไปแม้ว่าทาังร่างกายของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยมันก็บ่อยครั้งก็ไม่เป็นไปดังใจเรา หรือก็ปวดโน่นปวดนี่หรือไม่ก็ง่วงเหงาหานอนหรือว่าไม่สวยไม่งามไม่สมาร์ทนะบางทีอยากจะทำทำงานแต่มันก็ดันไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะมันจะปว่วยมันจะง่วงมันจะนอนอย่างเดียว บางครั้งร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปดั่งใจนะแถมยิ่งกว่านะั้นคือไม่ถูกใจหรือขัดใจเราด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้อยว่ว่าแต่อาหารผู้คนสถานที่ดินฟ้าอากาศแม้กระทั่ง กายและใจของเราลูกและนามนี่มันก็ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้มันก็เลยไม่เป็นไปดังใจมันก็เลยไม่ถูกใจเราในหลายครั้งหลายคราวหรือบางทีเกาขัดใจเราด้วยซ้ํเพราะฉนั้นสิ่งที่มันบอกเรามันสอนเรามันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นถึงความจริงที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงทังปัวกันนะเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันไม่เป็นไปดังใจไม่ถูกใจเราขัดใจเราเนี่ยมองให้ลึกๆมองให้ทะลุถึงความหงุดหงิดลำคาไม่พอใจมันก็จะเห็นว่ามันกำลังสอนสัจธรรมให้กับเราซึ่งถ้าเกิดว่าเรามัวแต่หัวเสียง เอาแต่ทุกเอาแต่งหงุดหงิดนะมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสัจธรรมอันนี้แล้วก็ยังทำให้เรายังคงหลงต่อไปหรือโง่ต่อไปยังคงไปคาดหวังสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปดังใจพยายามควบคุมบังคับให้มันถูกใจเราเรียกร้องแสวงหาสิ่งที่ไม่ขัดอกขัดใจเรา แม้จะเป็นคนรอบข้างหรือว่าคนรักแต่แม้กระทั่งร่างกายและจิตใจเรามันก็ยังไม่ยอมที่จะอยู่ในอำนาจของเราเลยแล้วเราจะหวังให้ผู้คนสิ่งของมันอยู่ในอำนาจของเราถูกใจเราได้อย่างไรผู้คนจำนวนมากก็ยังคงหลงนะ กับการเรียกร้องคาดหวังหรือบีดขั้นคาดคั้นให้อะไรต่ออะไรหรือใครต่อใครมาเป็นไปดั่งใจถูกใจเรามันก็เลยทุกข์ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะใจไม่ยอมเปิดรับความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยนั่นคือว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตา ถ้าเราเปิดใจยอมรับความจริงอันนี้เนี่ยเราจะวางใจได้ถูกต้องมากขึ้นเราจะไม่หมดแต่คาดหวังหรือคาดคั้นให้อไรต่ออะไรเป็นไปดังใจก็ไม่ถึงกับลองไม่ถึงเงองมืองอเท้านะล้วก็ทำทำตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไปไปคาดหวังหรือยึดมั่นว่ามันต้องเป็นไปดังใจเรา ทำงานก็ทำเต็มที่แต่ถ้ามันไม่สำเร็จไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่เป็นไปดังใจก็มันก็แค่งานล้มเหลวนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อคเขียนว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคือไม่ทุกข์นะในในบรรดาในบรรดาสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ถูกใจเราหรือขัดใจเราเนี่ยนะ ที่ใช้คือคนนะคนไปอยู่ที่ไหนแล้วมีความทุกข์บางส่วนยาก็เพราะคนนะไม่่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่บ้านหรือแม้แต่ที่วัดนะมีหลายคนเลยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทํางานที่ไหนก็มีแต่ความหงุดหงิด เพราะว่ามันมีแต่หรือเห็นแต่คนที่เป็นปัญหาคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีงี่เง่าเห็งแค่ตัวเกีดคร้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทำงานไปก็บ่นไปทางานก็บ่นไป บางทีไม่ใช่ที่ทำงานด้วนะที่บ้านด้ยวยเกิดแต่ปัญหาแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้ใครต่อใครมาจัดการกับพวกคนเหล่านี้พอไม่มีใครมาจัดการก็หรือทำไม่ถูกใจไม่ทำให้ปัญหามันหมดสิ้นไปก็โมโหมีหมอหนุ่มคนนึงนะ แกก็เป็นคนแข่งคันแข็งนะแต่ว่าพอมาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ไม่ถึงปีแกก็หงุดหงิดลำคาญเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าเห็นแต่คนเนี่ยมีปัญหาทั้งหมอโดยกการพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่วันหนึ่งก็ไ ป, ประบายอารมณ์ใส่ เจ้านายหมอรุ่นพี่นะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการแผนกนะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยมีแต่ปัญหาหัวหน้าก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ไหนไมน่มีปัญหาทั้งนั้นแหละหมอคนนี้อยากจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นรุ่นพี่ก็บอกเนี่ยที่ไหนไมน่มีปัญหาถึงคุณไปที่อื่นคุณก็เจอปัญหาย มีที่เดียวที่ไม่มีปัญหานะตรงนั้นอตรงไหนรู้ไหมข้างล่างนี่ไงมองลงไปจากตึกนะตึกสูงนะมองลงมาเนี่ยคือสุสานสุสานสุสานนี่เงียบสงบเลยนะหมอหมอใหญ่บอกเนี่ยตรงนั้นแหละคือที่ที่ไม่มีปัญหา ที่ที่ไม่มีปัญหาคือที่ที่มีแต่คนตายนะถ้าตัดไปที่ยังที่ไหนยังมีคนอยู่นะมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละงั้นจะไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันยากนะตัดใดที่ยังมีคนอยู่ที่จริงอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะแค่ไม่มีใครเลยเนี่ยแค่อยู่คนเดียวเนี่ย มันก็มีปัญหาแล้วล่ะเพราะกี่คนนะที่จะมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ลำพังคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะหรือแทบจะทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยนะโจะหงุดหงิดจะจะมีการกระสรับกระส่ายทุรนทุราลขึ้นมาทันทีเลยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยคนจำนวนมากนนานเนี่ย เป็นทุกข์มากเลยทั้งที่ไม่ได้อดอยากไม่ได้หิวโหวยทั้งที่อยู่สบายมีกินมีหนังให้ดูแต่ก็งุนงานเพราะอะไรพรอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครเลยนะอยู่คนเดียวก็ยังหงุดหงิดงุนงานทุรนทุรายเพราะว่าจิตใจหรือว่าความคิดนี่นะโอ้มันวิ่งไม่หยุดเลย แล้วมันไม่เป็นไปดังใจเลยไอ้ความคิดเนี่ยหรือติดใจเนี่ยมันไม่ยอมสงบนะมันงุ่นงานนันอย่าว่าแต่อยู่กันสองคนสามคนนะแล้วมีปัญหาเลยนะแค่อยู่คนเดียวก็ยังมีปัญหาเลยตาบได้ที่ยังมีคนอยู่้็มีพระบางรูปนะ มาอยู่วัดได้สักพักเราไม่ไหวแล้วนี่แต่ปัญหาไม่อยากอยู่แล้วอยากจะไปที่อื่นเอาขืนไปที่อื่นนะ้วก็มีแต่ปัญหาอีกต้องเจอปัญหาเราจะว่าไปเนี่ยนะเราจะคาดหวังที่ที่ไม่มีปัญหาเลยหรือจะไปอยู่แต่ที่ที่ไม่มีปัญหาเลยเนะี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ แล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยนะเราคิดแต่จะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีปัญหาเลยเหรือและที่ที่ไม่มีปัญหานี่มันมีมันมีจริงหรือเปล่านะมันไม่มีหรอกหรือถึงมีนเราเราคิดแต่จะไปอยู่ในที่ที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยนักปฏิบัตินะวิสัยนักปฏิบัติเนี่ยมันพร้อมจะอยู่ได้ทุกที่จะมีปัญหามากหรือน้อย ก็สามารถอยู่ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไอ้ปัญหาที่เกิดจากผู้คนมันก็ต้องแก้แต่จะไปแก้แต่เครื่องนอกมันต้องแก้หรือปรับทิศใจด้วยปรับใจของตัวเองเช่นการกระทําคําพูดของเขาก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์หรือไม่เช่นนั้นก็เอามาเป็นเครื่องฝึกนะฝึกขันติฝึกสติใจมันก็เพิ่มเวลาได้ยินการกระทําหรือเห็นคําพูดเวลาได้ยินเวลไารรดได้เห็นการกระทําหรือคําพูดได้เห็นการกระทําหรือได้ยินคําพูดของ ใครที่ไม่ถูกใจก็ใจมันก็เพื่อมก็รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดขุนมัวมาครอบงำใจห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้นะแต่ห้ามใจเราไม่ให้เป็นทุกข์นี่มันทำได้นะไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ด้วยการรู้ทั น, น, นต้องหันมาปรับแก้ที่ใจของตัวด้วยอย่าไปคิดแต่จะไปแก้ที่คนอื่นอย่างเดียว อันนี้เป็นหน้าที่เลยหรือเป็นวิสัยของนักปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวพร้อมที่อยู่ได้ในทุกที่แม้จะมีปัญหาและที่จริงเนี่ยทุกที่มันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละ ย, ยกเว้นสุสานนะที่ที่ไม่มีคนเลยเนี่ยอันนี้ถึงจะไม่มีปัญหาจริงจะเงียบสงบแต่แต่ที่ยังมีคนแม้มีเราเป็งคนเดียวมก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะถ้าไม่รู้จักวางใจให้เป็น นี่พอเราปรับใจวางใจให้ถูกนะอ่ามันก็สามารถจะอยู่ได้ในทุกที่ใครก็ยังมีปัญหานะแต่ว่าเราไม่มีปัญหาใครก็จะทุกข์แต่เราไม่ทุกข์นะแล้วก็พร้อมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็ทำใจไม่ให้ทุกข์ไว้ก่อนด้วยการตระหนักว่าออมันเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาก็คือคือทุกชนิดหนึ่งแล้วในปฏิบัติธรรมาก็ต้องรู้นะว่าทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นีขึ้นชื่อว่ามันเป็นทุกข์คือมันมันเป็นปัญหาแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะถ้าว่าเรา ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นไปดังใจเช่นไปยึดว่ามันต้องเที่ยงยึดว่ามันต้องสุขยึดว่ามันมันต้องอยู่ในหน้าของเราแล้วถ้าวางใจแบบนี้เนี่ยปัญหาเกิดแน่แต่ถ้ามองว่าเออมันไม่มีอะไรที่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงจรรังไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้อง ให้ความสุขกับเราหรืออยู่ใ น, นหน้าของเราอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีปัญหานั้นเนี่ยคนเราต้องกลับมาที่ใจของตัวนะมีลูกศิษย์อาจารย์สิงห์ทองคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายเนี่ยทุกครั้งที่มากราบอาจารย์สิงห์ทองนะเขาจะบ่วนว่าเนี่ยเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีผมย้ายงานแล้วผมย้ายไปทำงานที่ใหม่แล้ว ยมากราบหลวงพ่ออาจารย์สิงห์ทองเนี่ยครั้งก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีแล้วก็ย้ายงานแล้วผู้มาเยี่ยมมากราบ7ครั้งก็พูดเหมือนเดิมทั้ง7ครั้งแล้วก็ย้ายงานมามาแล้ว7ที่จนทั่งครั้งที่8ก็มากราบอีกนะแล้วก็มาบ่นอีกนะว่าเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีผมย้ายงานใหม่แล้ว อาจารย์จึงท้องเลยบอกเนี่ยไอ้ทั้งแปดที่เนี่ยที่คุณที่คุณย้ายเนี่ยนะมันมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่งนะัคือตัวคุณนะคุณควรกลับมาดูตัวเองบ้างนะว่าตัวเองนี่เป็นปัญหาหรือเปล่ า, าควรกลับมาพิจารณาตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ตัวคุณเนะพิ่เข้าใจหายไปเลยนะไม่รู้ว่าได้คิดได้ข้อคิดหรือว่าไม่พอใจ อุตส่าห์ย้ายงานมาเจอวัดมาอยู่วัดวัดมีปัญหาอีกไปดีกว่านะไปอยู่ไปวัดใหม่ดีกว่าที่ครูบาจะพูดให้ถูกใจเนี่ยแบบนี้ก็มีนะแล้วคนร้าก็ต้องย้อนกลับมาที่ใจของเราวางใจะให้ถูกที่จริงเนี่ยที่เห็นว่าที่โนนมีปัญหาที่นนมีปัญหานี่นะอาจเป็นเพราะว่าเห็นแต่ชอบเห็นแต่ ด้านลบของคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนะพอมองเห็นแต่ด้านลบเนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าอยู่ที่นี่ไม่น่าทํางานด้วยและจริงมาจะไม่ใช่แค่มองเห็นว่าเขาไม่ดีหรือมองเห็นแต่ด้านลบของเขานะมันธรรมดานะพอมองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเองก็อดไม่ได้ที่จะจู้จี้ขี้บน่นพอจู้จี้ขี้บ่นก็เลยเกิดปัญหาคนอื่นเกิดความขัดแยง้งก็เลยอยู่ไม่ได้ หรือเนชนนั้นก็เพราะมีความคาดหวังพื้นฐานว่ามันต้องมีที่ที่ไม่มีปัญหามันต้องมีที่ทำงานที่ทุกอย่างราบรื่นถ้าคิดแบบนี้นะมันจะผิดหวังอย่าว่าแต่ที่ทำงานเลยนะอยู่วัดก็ผิดหวังนะเพราะว่าทุกที่มันมีปัญหาทั้งนั้นแหละกล่าวใดที่มีคนและปัญหาส่วนหนึ่งนะมันก็เกิดจากใจของเรานะที่วางไว้ไม่ถูกจนมีความคาดหวัง ก็ทุกอย่างมันต้องราบเรื่นเลิศเลอเพอร์อเฟกตหรือว่าทุกอย่างต้องอยู่ในอำนาจของเราพอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือคุมไม่ได้ก็เป็นทุกข์นั่นเอาบทเรียนเราเนี่ยมาฝึกใจเราได้นะฝึกใจเราเนี่ยถ้าเรารู้จักปรับใจของเราไม่ใช่แค่ปรับใจแต่เปิดใจรับสัจธรรมความจริงในเรื่องพระไตรลักษณ์เรื่องอนัตตาเนี่ยอาการอยู่ทุกที่ มันก็มีความสุขได้ไม่ยากนะเยนนี้พูดทนนี้นะอาอบครับ